โดยเฉพาะความหวังที่ค า, าดว่าจะได้จากคนอื่นอาจทำให้เราผิดหวังได้มากเช่นจากลูกจากสามีหรือจากพัญญาจากเพื่อนฝูงจากลูกน้องจากนายงานเป็นต้นนะครับถ้าเกิดความล้มเหลวขึ้นเพราะถ้าเราหวังมันต้องมีความล้มเหลวบ้างได้บ้างเสียบ้าง ถ้าเกิดความล้มเหลวขึ้นในเรื่องใจก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาคนเราจะรุ่งเรืองได้ก็พอดทนต่อความล้มเหลวได้แล้วก็ตั้งต้นใหม่ขณะเดียวกันก็ต้องพยายามรักษาความสงบใจไว้ให้ได้เพราะว่าสุขภาพจิตจิตดีถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ต่อความสุขในชีวิตประจาวันของเราและต่อการงานของเราด้วยอันที่จริงนะครับในชีวิตของคนเรานี้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความล้มเหลวอย่างแท้จริงผมขอย้ำตรงนี้นะครับ <c oughs> ตรงนี้หน่อยว่าในชีวิตของคนเรานั้นไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความล้มเหลวอย่างแท้จริง นอกจากเราขาดความกล้าหาญที่จะพยายามอีกครั้งหนึ่งหรือสองครั้งหรือสามครั้งหลังจากที่ล้มเหลวแล้วแต่ละครั้งดูตัวอย่างนะครับขอให้ดูตัวอย่างคนที่หัดเดินเด็กที่หัดเดินก็จะล้มล้มแล้วล้มอีก ถ้าคนที่หัดทำอะไรอะไรก็เหมือนกันก็ล้มเร็วไปไปก่อน <c oughs> <c oughs> เด็กที่หัดเดินก็ล้มแล้วล้มอีกแต่เด็กก็มีความพักเพียรพยายามจนเดินได้วิ่งได้เราแต่ละคนนะครับก็ได้ผ่านภาวะเช่นนั้นมาแล้วขอให้มีความพยายามเช่นนั้นอีกก็จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน อันนี้ของฝากของฝากในสัปดาห์สุขภาพจิตนะครับเพราะเพื่อความสุขเพื่อสุขภาพจิตที่ดีของเราเราก็ต้องตั้งใจเอาไว้อย่างที่พูดมาแล้วหรือว่ า, าคิดให้ได้หรือพยายามในการที่จะทําอย่างนี้ก็จะก็จะได้สุขภาพจิตที่ดี กำไม่กลัวความลมเด็กท่า น, นี้ผมขอดำเนินเรื่องกรรมต่อไปนะครับที่ว่าให้เรากิจารณาว่าเรามีกรรมเป็นของของตนอันนั้นผมได้พูดมาแล้วเมื่อวันก่อนอันนี้มาถึงข้อที่ว่าเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ที่ท่านใช้คำว่ากรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัยก็หมายความว่าที่พึ่งอย่างอื่นาสามารถจะให้บุคคลพักพิงได้ก็เพียงชั่วครั้งชั่วคราวพ่อแม่เต็มใจให้เราพึ่งก็เพราะเราอยู่ในไัวต้นหรือปฐมเาไว นี่พอเป็นผู้ใหญ่แล้วถ้ายังพึ่งอยู่อีกท่านก็รังเกียจท่านก็ไม่อยากให้พึ่งแล้วเคยเห็นเคยเห็นในภาพยนตร์นะครับไม่ใช่เห็นเองสุนัขจิ้งจอกเนี่ยพอลูกมันโตแล้วมันไม่ไม่ให้อยู่มันไล่เข้ามามันไล่ไล่ให้ไปหากินอีกไล่ไปหากินอง นี่ก็เด็กของเรานี่ถ้าเผืออว่าโตแล้วไม่รู้จักรรมาหากินไม่รู้จักพึ่งตัวเองทำอะไรเองไม่ได้แถมว่าอยู่ในวัยที่ควรจะเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้ปังแล้วยังต้องพึ่งพ่อแม่อยู่ตลอดเวลามันก็ควรจะสำรวจตัวเองใหม่พิจารณาตัวเองให้ดี ท่า น, นก็ <c oughs> ถ้าอย่างพึ่งท่านโดยที่ว่าพึ่งโดยประการทางปวงนอกจากคนพิการท่านก็ท่านก็นกไม่ไม่ชอบใจคนอื่นก็ดูหมิน่นแต่จะพึ่งญาติพี่น้องเพื่อนผูกก็พึ่งได้เป็นครั้งคราวพึ่งเขาบ่อยนักก็ไม่พ้นการถูกดูหมิ่นตดเตียนแต่กรรมของเรา นี่แหละครับเป็นที่พึ่งของเราได้ตลอดชีวิตเป็นที่พึ่งได้ทุกทุกชาติด้วยคนที่กรรมไม่ยอมให้พึ่งแล้วถึงใครๆอื่นก็ไม่อาจให้ที่พึ่งได้ถ้ากรรมถ้ากรรมไม่ยอมให้พึ่งแล้วคนอื่นใครๆอื่นก็ให้ที่พึ่งไม่ได้ มันมีอันให้วิปัสสขัดข้องไปหมดส่วนคนที่กามอุปธรรมแล้วใครจะทำลายก็ไม่ได้ก็ยิ่งกดยิ่งเฟื่องฟูอ่ยิ่งยิ่งบังยิ่งเห็นยิ่งมีคนคิดร้ายยิ่งได้ดีขอให้ <c oughs> ขอให้ท่องเอาไว้นะครับ คนที่กรรมอุปธรรมแล้วใครจะทำลายก็ไม่ได้แต่ยิ่งกดยิ่งฟูยิ่งบงังยิ่งเห็นยิ่งมีคนคิดใจ ย, ยิ่งได้ดีเพราะนั้นก็มันมันสะสมกรรมดีเอากรรมดีเป็นที่พึ่งเอาไว้เป็นที่พึ่งอาศใยเอาไว้ เ, เรื่อง <c oughs> ที่ว่ากรรมทำให้คนแตกต่างกันเอ่อ มีพระพุทธพจน์ที่จัดคับมานพคนหนึ่งที่ว่าทุคนมานพจัดทั้งหลายมีกรรมเป็นกองของตนมีกรรมเป็นต้องต้องรับมรดกกรรมมีกรรมเป็นกรรมเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอกรรมย่อมจําแนกบุคคลหรือสัตว์ทั้งหลายให้ให้สามหรือให้ประณิต อันนี้ชัดเจนเนี่ยชัดเจนครับผมได้อธิบายมาครั้งหนึ่งแล้วที่ว่าที่ประจำย่อมจําแนกสัตว์ทั้งหลายให้สามให้ประณีตอันนี้ก็มันเป็นไปตามการกระทําของบุคคลครับว่าถ้าเราทําสิ่งซ้าําๆมันก็มันก็กลายเป็นคนสามถ้าเราทําสิ่งที่ประณีตประณีตมันก็เป็นคนประนีต อัธยาศัยประณีตคียาวาจาประณีตจิตใจประณีตแต่ถ้าถ้าเราเรากระทำสิ่งที่สามซ้ำหรือสิ่งที่ต่ํจำจะเพราะว่าจิตใจตจอกายวาจาก็การกระทําทางกายก็จำกันพูดทางวาจาก็ต่ํามันเลยกลายเป็นคนต่จำ <c oughs> นั่นจำทัศนาทางพุทธศาสนาคนจำคนสูงคนเป็นผู้ดีคนเป็นผู้เป็นเป็นใคร่หรือเป็นผู้ดีไม่ใช่อยู่ที่กําเนิดไม่ได้อยู่ที่ชาติกําเนิดต่อพุทธภาสิต ท, ที่เรารู้กันแพร่หลายก็คือว่าในชัดจาวสโหติคนจะเป็นคนเลวเพราะชาติกําเนิดก็หามีได้ นาจะตเจ้าโหติกรรหมณูนคนจะเป็นคนประเสริฐเพราะชาติกําเนิดก็หามิได้กรรมนาวัสะโลโหติกรรมุนาโหติพราหมณูคนจะเป็นคนสามคนเร็วก็เพราะการกระทําก็เพราะกรรมคือการกระทําคนจะเป็นผู้ประเสริฐก็เพราะกา ร, รกระทำของตนนั่นเองอันนี้ก็ อธิบายนิดหน่อยนะครับที่ว่ากรรมย่อมจำแนกสัต์ให้สามหรือประณีตคราวนี้ผมจะเลื่อนไปถึงหัวข้อใหม่อีกสักหัวข้อหนึ่งนะครับคือเรื่องกรรมเป็นสิ่งตายตัวหรือไม่ตายตัว <c oughs> กรรมเป็นสิ่งตายตัวหรือไม่ตายตัวคำว่า คำว่าตายตัวคือไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขทําอย่างไรได้อย่างนั้นร้อยเปอร์เซนต์ไม่มีอะไรมาขัดขวางขัดแจ้งอะไรได้ไม่มีเงื่อนไขถ้าถ้าตายตัวก็คิมคือไม่มีเงื่อนไขถ้ากรรมไม่ตายตัวก็คือมีเงื่อนไข มีเงื่อนไขก็คือมีข้อแม้มีข้อแม้ถ้าถ้าอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นถ้ามันกรรมเป็นสิ่งตายตัวมันก็จะไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้ยกตัวอย่าง <c oughs> ซึ่งจะมีต่อไปรี่ว่าคนสองคนทำกรรมอย่างเดียวกัน คนหนึ่งได้รับได้รับผลมากอีกคนหนึ่งได้รับผลน้อยเพราะอะไรทั้งกรรมดีและกรรมชั่วเพราะอะไรเนี่ยเนี่ยมันยังเงื่อนไขมันจะเข้ามาเหตุปัจจัยมันจะเข้ามาอข้อแม้มันจะเข้ามาจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องกรรมที่บุคคลกระทำ <c oughs> ส่วนที่ส่วนที่ยากๆผมจะผ่านไปนะครับเพราะจะต้องอาศัยคาอธิบายมาก เ, ออเหมาะสาหรับที่จะเรียนในชั้นเรียนแต่ว่าในการบรรยายทางวิทยุนีออ้ต้องตัดส่วนที่ยากๆออกไปเอาแต่ส่วนที่ไม่ยากนักและก็ไม่ง่ายนักออมาคุยกัน ตัวอย่างในพระพุทธพจน์ที่ว่าบุคคลบางคนทำบาปกรรมเพียงเล็กน้อยบาปกรรมนั้นนำเขาไปนรกได้แต่บางคนทำบาปกรรมเล็กน้อยบาปกรรมเช่นนั้นให้ผลในปัจจุบันให้ผลในปัจจุบัน เล็กน้อยแล้วก็แล้วกันไปแล้วก็แล้วกันไปคือว่าบางคนทำบาปกรรมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็นําเขาไปนรกได้แต่บางคนทำได้เสวยผลในปัจจุบันเพียงเล็กน้อยแล้วก็แล้วกันไปคือว่าไม่ให้ผลอีก <c oughs> อันนี้ทําไมทําไมจึงไม่เหมือนกันก็พระพุทธเจ้าท่านทรงอธิบายอย่างนี้นะครับบุคคลเช่นไรทําบาปกรรมเพียงเล็กน้อยแล้วบาปกรรมนั้นนําเขาสู่นรกก็คือบุคคลที่ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อบรมปัญญาเป็นคนมีคุณน้อย มีคุณธรรมน้อยนะครับมีคุณงามความดีน้อยมีจิตใจต่ำใจขับแคบมีปกติอยู่เป็นทุกข์แม่ด้วยเรื่องเพียงเล็กน้อยอปาทุกขวิหารีมีปกติอยู่เป็นทุกข์แม่ด้วยเรื่องเพียงเล็กน้อยและบุคคลเช่นไรทำบาปกรรมเพียงเล็กน้อย แล้วให้ผลในปัจจุบันเล็กน้อยแล้วก็ไม่นำไปสู่นรกคือบุคคลที่ได้อบรมกายได้อบรมศีลได้อบรมจิตได้อบรมปัญญาแล้วเป็นผู้มีคุณมากเป็นผู้มีใจกว้างมีใจสูงมีปกติอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องจูที่ยิ่งใหญ่ เช่นว่าจูด้วยพรหมวิหารามีมีปกติอยู่ด้วยทำเป็นเครื่องจูอันยิ่งใจหาประมาณมิได้เช่นพรหมวิหารเปรียบเหมือนบุคคลใส่ก้อนเกลือลงไปในขันใบน้อยหรือว่าในถ้วยน้ำเล็กๆ ก, ก็ได้นะครับน้ำนั้นจะเค็มจัดดื่มไม่ได้ หรือไม่ได้เพราะว่าน้าน้อยเกลือมากแต่ถ้าเอาก้อนเกลือเช่นนั้นใส่ลงไปในแม่น้ํำคงคาหรือเอาไม่ต้องแม่น้ํำคงคาก็ได้นอนนี่ว่าตามที่พระพุทธเจ้าจัดเอาไปสมมติว่าเอาไปใส่ไว้ในตุ่มใหญ่ในแท้งใหญ่ใจแต่น้ําจะไม่เค็มเลยครับเพราะว่าน้ํามีจํานวนมาก แล้วเครือจำนวนน้อย <c oughs> อ่านี่แหละครับเหตุผลเหตุผลที่ว่าคนทํากรรมอย่างเดียวกันแต่ให้ผลไม่เหมือนกันครับเพราะเงื่อนไขเงื่อนไขอยู่ตรงที่ว่าคนบางคนนั้นเป็นคนที่ไม่ได้อบรมกายอบรมศีลไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อบรมปัญญาจะเป็นคนที่มีคุณน้อยมีใจต่ํา มีใจคับแคบมีตัวปกติอยู่เป็นทุกแม่ด้วยเรื่องเพียงเล็กน้อยเหมือนเรือนะครับเรือมันจะจมอยู่แล้วอเรือนเพียบอยู่แล้วแคบเรือก็ปริมน้ำอยู่แล้วเรียกว่าเอาก้อนหินอสักก้อนหนึ่งหนักสักสองกิโลใส่ลงไป ใจลงไปเรือก็จมแล้วแต่ว่าคนบางคนเป็นคนที่ได้อบรมกายได้อบรมศีลได้อบรมจิตได้อบรมปัญญาเป็นผู้ที่มีคุณมากมีจิตใจสูงมีปกติอยู่ด้วยทำอนาประมาณมิดไายอย่างนี้เหมือนกับเรือซึ่งลอยลำอยู่ ไม่ได้บรรทุกหนักอะไรเลยลอยลำอยู่สบายๆเฉยๆเอาก้อนหินจำนวนเท่ากันไปใส่ลงไปในเรืออย่างนั้นเรือมันก็ไม่จมเรือมันไม่จม <c oughs> น, นี่แหละครับเหตุผลที่ว่าอันนี้สิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นเงื่อนไขในการจะทำก็ทำให้ ผลกรรมที่บุคคลทําแล้วแม้จะเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันได้ผลไม่เหมือนกันเรียกว่าตัวอย่างใกล้เข้ามาอีกเช่นว่าเพื่อนเราเพื่อนเราลูกเราหลานเราอะไรของเราที่คนใกล้ตัวของเราถ้าเกิดเขาเป็นคนดีมาตลอดทําความดีมาตลอดไม่มีข้อบอกพร่องและไม่มีข้อบอกพร่องเกียงเล็กน้อย เราก็พร้อมที่จะให้อภัยเขาในฐานะที่เขาไม่ได้ทำความผิดมา ก, ก่อน <c oughs> แต่ถ้าคนไหนที่ทำความผิด <c oughs> มากๆแต่ว่าทำความผิดเรื่อยมาแล้วก็เป็นความผิดสะสมในใจของเราขอขาดโทษไว้แล้วมันกล้ายๆว่ามีมีสาเหตุมาเรียบร้อยแล้ว อนนี้พอมีความผิดอีกเล็กน้อยเป็นชนวนก็ทำให้ระเปิดออกมาทำให้ความไม่พอใจมากที่สุดระเปิดออกมามันก็จะลงโทษได้แรงเพราะว่าเป็นความความผิดสะสมอันนี้แหละกรรมคือเงื่อนไขของกรรมหัมวข้อที่กำลังพูดอยู่ตอนนี้คือเรื่องกรรมเป็นสิ่งที่มีเงื่อนไข ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ไม่มีเงินไข่คือว่าสุดแล้วแต่เงินไข่คนทำกรรมอย่างเดียวกันอาจจะได้รับผลไม่เหมือนกันก็เพราะว่าเงินไข่ของบุคคลผู้ทำนั้นไม่เท่ากันหรือไม่เหมือนกัน เ, เมื่อคืนนี้ได้พูดมาบ้างแล้วนะครับ ทีนี้ผมได้เรียนกับท่านผู้ฟังไว้ว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุขภาพจิตเพราะฉะนั้นก็จะขอพูดเรื่องสุขภาพจิตเป็นต้นรายการในต้นรายการขอพูดเรื่องสุขภาพจิตก่อนเมื่อคืนนี้ผมคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องสุขภาพจิตว่า เรื่องความผิดหวังความล้มเหลวอเป็นทํานองว่าถ้าเกิดความล้มเหลวขึ้นในเรื่องใดก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาอันนี้ก็ได้พูดมาแล้วนะครับคราวนี้ก็จะขอพูดต่อไปว่าเพื่อไม่ให้ความผิดหวังเป็นผิดแก่จิตใจของเรา ก็ขอให้เราสร้างนิสัยเป็นนักศึกษาขึ้นหรือว่ามองเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแก่เราในแง่ของการศึกษาเรียนรู้หรือว่าเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตก็จะสังเกตได้นะครับว่ า, าเหตุการณ์เดียวกัน ถ้ามองในแง่ร้ายอาจให้ทุกข์แก่เราได้มากแต่ถ้ามองในแง่ดีและก็มองในแง่ของการศึกษาเรียนรู้อาจจะให้ความสุขความพอใจแก่เราก็ได้คือว่าเอามาเรียนรู้เสียอย่างที่ <c oughs> มีกรอนซึ่ง ห, หลายคนคงเคยได้ยินบป่อย ที่ว่าสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมคนหนึ่งตาแหลมคมมองเห็นดาวอยู่ลพล่าพรายอันนี้ก็มีนักโทษสองคนอมองผ่านลุกกรงมองผ่านลุกกรงคุกออกมาแลคนหนึ่งมองต่ำ <c oughs> มองต่ําก็เห็นโคลนตุ่มมองสูงขึ้นไปก็เห็นดวงดาว อยู่เปล่าพรายทีนี้ในเหตุการณ์ในชีวิตก็เหมือนกันเพลยถ้าเรารู้จักมองบางทีมันก็ให้ประโยชน์ถ้ามองไม่เป็นก็ให้โทษหรือว่ า, าเคยพูดให้ลูกศิษย์ฟังว่ า, าถ้ามองขึ้นไปข้างบนเราก็ขาดแคลนถ้ามองลงข้างล่างเราก็เหลือเร า, ามองขึ้นข้างบนเราขาดมองลงข้างล่างเราเหลือ อันนี้ก็หมายความว่าถ้าเรามองคนที่เขามั่งคั่งกว่าเราเราก็ยังขาดอยู่หลายอย่างแต่ถ้าเรามองคนที่เขาขาดแกลนกว่าเราเยอะๆมองมองต่ำลงมามองข้างล่างเราก็เหลือเฟื อ, เ ห, อเหลือเยอะแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นว่าดีในเบื้องต้นตถ้า ไม่เราหวังก็าอาจจะกลายเป็นสิ่งร้ายในบรรปลายก็ได้หรือตรงกันข้ามสิ่งที่เราเห็นว่าร้ายอาจกลายเป็นดีก็ได้มันแล้วแต่เราจะจัดการกับมันอย่างไรชีวิตของคนเรานี่นะครับจะต้องเดินเดินทางผ่านประสบการณ์เป็นอันมากความรู้ความเข้าใจในชีวิต เป็นวิทยาการที่สูงสูงเยี่ยมยิ่งกว่าวิทยาการใดๆดในเมื่อเราเข้าใจชีวิตดีแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างเป็นทุกข์น้อยที่สุดหรือว่าไม่มีความทุกข์ใจเลยก็ได้ถึงจะมีบ้างก็เป็นเรื่องของร่างกาย ที่เป็นธรรมดาว่ามันจะต้องมีทุกเจ็บคายได้ป่วยอะไรต่างๆหิวกระหายปวดนั่นปวดนี่อะไรก็เป็นทุกข์เรื่องของร่างกายแต่ว่าเราอาจจะไม่มีทุกข์ทางใจเลยก็ได้มีชีวิตและทำงานอย่างสงบเหมือนดอกไม้ อีชีวิตดูแล้วก็ทํางานอย่างสงบเหมือนดอกไม้ออกดอก อ, อตูมแล้วก็บานส่งกลิ่นหอมร่วงโรยไปแปลว่าทุกขั้นตอนทําอย่างสงบทั้งนั้นความทุกข์เป็นสิ่งที่เราพยายามหลีกเลี่ยงนะครับทุกคนพยายามหลีกเลี่ยงแต่ว่าความสุขเป็นสิ่งที่เราสวยงา แต่ว่าทำไมมนุษย์ส่วนมากจึงพบแต่สิ่งที่ตนพยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็รู้สึกว่าได้น้อยเหลือเกินสิ่งที่พยายามสแสวงหาเป็นสิ่งที่ได้น้อยเคยสํารวจดูหรือไม่ครับเคยคิดบ้างหรือไม่ว่าอาจเป็นเพราะเราต้องการมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเราสแสวงหาผิดวิธี ถ้าผิดวิธีมันก็ไม่ได้ไม่ว่าไม่ว่าอะไรก็รทำผิดวิธีเขามันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ถ้าเราสวงยงานถูกวิธีมันอาจจะได้ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นแม้ว่าสถานการณ์จะสอบไปในทางที่ทำให้เรารู้สึกว่าน่าจะสิ้นหวังแต่เราต้องไม่หมดหวังเสียโดยง่าย ว่าคิดไว้เสมอว่าเมื่อเรายังมีความกวางแล้วก็มีความเพียรอย่างสม่ำเสมอก็ต้องพบช่องทางตรงเันข้ามนะครับแม้เราจะหวังมากเพียงไรก็ตามเราก็ต้องเตรียมตัวที่จะรับความผิดหวังไใบบางเป็นการไม่ประมาทที่จริงนะครับพวกเรานี่ ไม่มีจุดหมายปลายทางใดหรอกครับที่จะสูงเกินไปสำหรับเราถ้าเรามีความเพียรพยายามมากพอแม้ว่าจะต้องใช้เวลาหลายชาติคือว่าต้องมีโครงการข้ามชาติว่าชาตินี้ไม่สำเร็จอาจจะเป็นชาติหน้าหาชาติน้นอะไรก็ได้แต่ว่ามีความหวังว่าจะทำให้สำเร็จ อันนี้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุขภาพจิตผมก็นำสิ่งเล็กๆน้อยๆมาฝากต้นรายการที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตทีนี้ก็ต่อไปถึงเรื่องกรรมนะครับที่พูดค้างเอาไว้ในอภินาปจเวห้าข้อมาถึงข้อที่ห้าว่าเรามีกรรม ให้พิจารณาเนืองนิดว่าเรามีกรรมเป็นของของตนจะต้องได้รับผลของกรรมทีนี้มาถึงหัวข้อที่ว่ า, ากรรมเป็นสิ่งไม่ตายตัวกรรมและผลของกรรมเป็นสิ่งไม่ตายตัวมันสุดแล้วแต่เงินไข่เมื่อคืนนี้ผมก็พูดเรื่องนี้มาครั้งหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็จะอขอตอไป ต่อไปว่าอาทิตย์นี่ตามพระพุทธพจน์นะครับพระพุทธเจ้าจัดยกตัวอย่างไว้ให้ดูต่อไปว่าบางคนถูกจองจําเพราะทรัพย์กึ่งกหาปณะบ้างหนึ่งกหาปณะบ้างร้อยกหาปณะบ้างแต่บางคนไม่ถูกจองจําเพราะทรัพย์จำนวนนั้นหมายความว่าไปขโมยเก่า ไปลักทรัพย์เขาหนึ่งการาปรณ์าบางร้อยการอาปรณ์าบางแล้วก็ถูกจองจำแต่ว่าคนบางคนบางพวกไม่ถูกจองจำเพราะทรัพย์จํานวนนั้นทีนี้ถ <c oughs> ามว่าคนพวกไหนถูกจองจำคนพวกไหนไม่ถูกจองจำพวกที่ยากจนขัดสน ถูกจองจำพวกมั่งคั่งมีทรัพย์เหลือเฟือไม่ถูกจองจำฉันใดคนทำกรรมเล็กน้อยตามที่กล่าวมาก็ฉันนั้นไปนรกบ้างไม่ต้องไปนรกบ้างทีนี้ฟังอุปมาต่อไปก็จะเข้าใจนะฮะเขจะเข้าใจ อีกุประมาณหนึ่งคนลักแกะบางคนถูกฆ่าถูกจองจำถูกเผาไฟเพราะไปลักแกะของคนยากจนขัดสนข้าวอันนี้คนลักแกะบางคนไม่ถูกจองจำไม่ถูกฆ่าไม่ถูกเผาไฟเพราะเขาไปลักแกะคนมั่งคัง่งเพราะว่าคนมั่งคั่งนั้นเขามีแก่มากมาย ถูกลักใบเล็กน้อยเขาไม่เดือดร้อนอะไรเพียงแต่ผู้ลักนอบน้อมยกมือไหว้ขออภัยขอโทษเจ้าของแกะก็ยินดีปล่อยฉันใดนะครับบาปกรรมที่บุคคลทำแล้วก็ฉันนั้นนำบุคคลไปสู่นรกบ้างไม่นำไปสู่นรกบ้าง ผมอธิบายเพิ่มเติ น, นะครับขออธิบายเพิ่มเติเ๋วจะไม่ชัดเจนท่านผู้ฟังจะงงว่าทําไมคนยากจนจึงจึงจะถูกทําโทษคนมั่งคั่งจึงไม่ถูกทําโทษแต่ท่านเปรียบเปรียบเป็นแด่เพียงอุ ป, ปมานะครับไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงก็เป็นอย่างที่ผมผมพูดแล้วเมื่อคืนก่อนเนี่ยนะครับที่ว่าคนที่มีคุณธรรมมากคุณธรรมมันท่วม คนที่มีคุณธรรมสูงมากทำบาปเล็กน้อยบาปให้ผลเพียงเล็กน้อยไม่นำเขาไปสู่นรกเหมือนเรือที่อลอยลำสบายสบายอยู่เอาก้อนหินสองกิโลใส่ลงไปมันไม่จมแต่ว่าถ้าเรือที่เพียบอยู่แล้วแคมเรือมันปิมน้ำหยุดแล้วเอาก้อนหินสองกิโลเท่ากันใส่ลงไปมันจมทันที มันก็คนทําชั่วไว้มากมากมากมากเหลือเกินอัตภาพเต็มไปด้วยบาปทําทบาปอะไรอีกเล็กน้อยมันก็จมแล้วจมแล้วไปนระกแล้วหรือว่าถูกจําคุกแล้วอะไรแล้วมันอในทางบ้านเมืองเขาก็ทําทํานองนั้นเหมือนกันนะหรือว่าคนที่ไม่เคยทําความผิดนี่เขาลดโทษให้แต่ถ้าคนที่ทําความผิดมากมากมากมาทําความผิดข้างหลังนี่เขาเอาโทษหนัก เนี่ยทํานองทํานองนี้นะครับทํานองนี้าตามพระพุทธพจน์นี้นะครับจะเห็นความมีเงื่อนไขของกรรมความของกรรมคือกฎแห่งกรรมนั้นไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่เช่นคนทํากรรมเล็กน้อยด้วยกันคนหนึ่งไปนรกอีคนไนึงปัตตาน คนที่ต้องไปเพราะไม่มีคุณความดีอย่างอื่นช่วยพยุงไว้ป้องกันไว้ไม่มีคุณความดีช่วยป้องกันไว้อีกคนหนึ่งไม่ต้องไปเพราะมีคุณความดีมากคุณเหล่านั้นจะช่วยป้องกันไว้คือความดีมันท่วมความชั่ว เหมือนที่ยกตัวอย่างเมื่อเมืม่อคืนนี้ขอทบทวนอีกทีว่าเด็กบางคนมีความดีมากไปทําความผิดครัเล็กน้อยผู้ใหญ่ก็ให้อภัยได้ง่ายแต่ถ้าบางคนทําแต่ความผิดแล้ววันหนึ่งก็ไปทําความผิดด้วยกันทั้งสองคนให้เด็กที่ทําความผิดมาตลอดมันจะโดนโทษหนักกว่าเพราะว่าทําความผิดสะสมนี่ก็อา่า คนที่มีความดีท่วมความชั่วกับคนที่มีความชั่วท่วมความดีท่านลองนึกดูว่ามันจะเป็นอย่างไรในการที่ไปทำความชั่วอย่างเดียวกันเข้าอีกอีกคนหนึ่งมีความดีท่วมความชั่วอีกคนหนึ่งมีความชั่วท่วมความดีสมมติว่าเรามีข้อสอบอยู่ยี่สิบข้อนักเรียนคนหนึ่งทำถูกมาสิบเก้าข้อ เขามาผิดข้อที่ยี่สิบแล้วก็นักเรียนคนหนึ่งผิดมาเรื่อยข้อที่ยี่สิบก็ผิดเหมือนกันก็แปลว่าที่ผิดเหมือนกันก็คือข้อที่ยี่สิบทีนี้ท่านลองนึกดูว่าสองคนนี้ใครสอบได้ใครสอบตกคิดเท่านี้เพียงเท่านี้เราก็จะเห็นถึงความต่างกันหรือว่าเงื่อนไขของสิ่งที่เขาทา เองอนไข่ของสิ่งที่เขาทำนี่ก็ทำให้ความชั่วเล็กน้อยไม่มีฤทธิ์คนที่มีความดีท่วมความชั่วทำให้ความชั่วเล็กน้อยไม่มีฤทธิ์ในการให้ผลที่ทรงที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเหมือนน้ำกับเกลือเนี่ยกับแสดงว่าความดีสามารถละลายผลแห่งความชั่วให้เบาบางได้ ความชั่วที่มีจํานวนมากก็ทํานองเดียวกันมันท่วมความดีก็จะละลายผลแห่งกรรมดีให้เป็นอพโพหาริกไปได้เหมือนกันอพโพหาริกนี่หมายความว่ามีเหมือนไม่มีมีเหมือนไม่มีตามตัวแปลว่าอะโวหาริอโวหานกล่าวไม่ได้ว่ามีมีเหมือนไม่มีมเช่นว่า น้ำที่ติดน้ำที่ติดอยู่ก้นแก้วหลังจากที่ยกขึ้นดื่มหมดแล้วแล้วก็ยกขึ้นดื่มแล้วน้ำมันติดอยู่ก้นแก้วหน่อยล้วบอกหมดแล้วหมดแก้วแล้วหรือว่าถ้าความแก้วลงความแก้วลงก็จะมีหยดน้าลงนิดหน่อยนี่ก็แต่ว่ากล่าวไม่ได้ว่ามีเพราะมันมีน้อยเหลือเกินหรือว่า ถ้าใครสักคนหนึ่งตอนนี้มีเงินอยู่หนึ่งสลึงในปัจจุบันเนี่ยครับมีเงินอยู่หนึ่งสลึงซึ่งก็ซื้ออะไรไม่ได้แล้วจึงเป็นอัพโพฮาริกคือว่ากล่าวไม่ได้ว่ามีครับ อ, อันนี้คือเงื่อนไขเงื่อนไขของกับมีเรื่องเป็นจํานวนมากนะครับมีเรื่องมากมายครับในตําราทาง พุทธศาสนาที่กล่าวถึงผู้ที่เคยทำบาปกรรมมามากแต่ตอนหลังก็กลับใจมาทำความดีและก็ยึดมั่นอยู่กับความดีแม้ชั่วยาเวลาไม่นานนะ ก, ก็ทำให้ไปสุคติได้ได้คุณธรรมชั้นสูงเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปถ้า ท่านได้เป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปด้วยแล้วก็เป็นการปิดกั้นอบายภูมิได้หมดไม่ว่าจะเคยทำกรรมชั่วมาอย่างไรพระองค์ุริมานนั้นถูกยกตัวอย่างบ่อยนะฮะว่าท่านเป็นโจรฆ่าคนมามากมายแต่ถ้าเผื่อท่านไม่ได้มาบำเพ็ญคุณงามความดีในศาสนา ได้กัลยาณมิตรอย่างพระพุทธเจ้าท่านจะไปตกนรกหมอกไม้ไม่รู้เท่าไรไม่รู้กี่พันชาติกี่หมื่นชาติกี่แสนชาติแต่ว่าเสร็จแล้วพอท่านได้บรรลุธรรมชั้นสูงแล้วอบายภูมิเหล่านั้นก็ปิดหมดเลยปิดหมดเหมือนกับคนที่เคยเป็นหนี้ครับแล้วต่อมาก็หาเงินได้อะไรแล้วใช้หนี้หมดยังมีเงินเหลืออีกอ กลายเป็นคนมั่งคั่งไปก็มีทั้งท ง, ท ง, ท ง, ทงที่เคยเป็นหนี้มาก่อนคนที่ทำบาปเล็กน้อยแล้วได้รับผลในพบปัจจุบันเป็นทิฏฐธรรมเวทนีเพียงเล็กน้อยไม่มากแล้วต่อไปก็จะไม่ให้ผลอีกนั่นก็คือคนที่มีคุณธรรมสูง คนที่มีคุณธรรมสูงได้อบรมกายได้อบรมศีลอบรมจิตได้อบรมปัญญามายัางดีบาปกรรมเล็กน้อยไม่สามารถทำอันตรายแก่ท่านดด้อย่างที่ผมเรียนท่านแล้วว่าเหมือนเรือใหญ่ลอยลำอยู่ไม่ได้บรรทุกของหนักถ้าจะเอาก้อนหินใส่ลงไปก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเรือที่เพียบอยู่แล้วไม่ได้ ท่านคนที่ทําชั่วมากอาทําชั่วเข้าอีกซ้ําเข้าอีกก็จะได้รับผลแห่งกรรมชั่วหนักกว่าธรรมดาอันนี้เป็นกําลังใจให้เร า, เามันสั่งสมความดีนะครับครั้งละเล็กครั้งละน้อยวันละเล็กวันละน้อยเอ ท, ทําไปเท่าที่จะทำได้ไม่ปล่อยให้วันเวลามันล่วงไปโดย ไม่ได้สะสมความดีต้องมันสะสมความดี อ, อ, อุทานสัมปทานั่นขยันในการทรมาหากินบ้างขยันในการประกอบคุณงามความดีบ่างไม่ใช่ใช้ชีวิตหางเงินอย่างเดียวแต่ว่าต้องมันสะสมคุณงามความดีด้วย อ, อ, อรักษาสัมปทานั่นรักษาถึงพร้อมโดยการรักษา ก็ไม่เพียงแต่รักษาทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียวก็ต้องรักษาคุณงามความดีด้วยเพราะเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสาคัญเป็นสิ่งสาคัญอันนี้ครับ เ, เหมือนกับคนที่เคยเป็นหนี้แล้วต่อมาทําบาปคนไม่มีใครที่ไม่เคยทําชั่วมันต้องเคยทํากันมาทั้งนั้นมากบางน้อยบาง แล้วก็มารู้สึกตัวว่ามันเป็นความไม่ดีเป็นความชั่วก็ลดลงไปละลงไปเลิกได้ก็ดีแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทําความดีใหม่ความดีก็ค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นแล้วมาม า, มาท่วมความชั่วก็ไปทําความชั่วเล็กน้อยความชั่วมันก็ถูกละลายไปเรเรียกว่าทําความดีละลายความชั่ว ช่วงนี้เป็นสัปดาห์สุขภาพจิตนะผมก็ขอพูดเรื่องสุขภาพจิตในต้นรายการะจนกว่าจะถึงวันที่เจ็ดซึ่งเป็นวันสิ้นสุดของสัปดาห์สุขภาพจิต เ, เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตนี่นะครับเอเวลาไม่สบายหรือว่าจิตใจไม่สงบไม่ ไม่เป็นไปตามปกติคนก็มักจะนึกถึงจิตแพทย์นี่เราไม่ต้องไปหาจิตแพทย์ก็ได้เพราะถ้าเรามีจิตแพทย์ที่ประเสริฐอยู่กับตัวก็คือหนึ่งเรามีอาหารที่มีประโยชน์ไม่ใช่ราคาแพงนะครับอาหารที่มีประโยชน์ไม่จำเป็นต้องราคาแพง แล้วก็ไม่จาเป็นต้องเที่ยวหากินในที่ต่างๆมันก็มกินเท่าที่มีอยู่แต่ว่ามันมีประโยชน์เลือกอาหารที่มีประโยชน์และการที่สองเราได้อยู่ในที่สงบเงียบบ้างวันหนึ่งแต่ละวันแต่ละวันให้ได้มีเวลาหลายๆชั่วโมงยิ่งดี ให้ได้อยู่อย่างสงบเงียบแล้วก็ประการที่สามเรายิ้มแย้มแจ่มใส่ร้เพื่อพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเจรหนักว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีคุณค่าทางสอนใจมนุษย์แล้วก็มีผลแผ่ขยายออกไปเรื่อยๆ เราควรรู้สึกเป็นเกียรตินะครับเมื่อชีวิตของเราประสบความทุกข์ยากลำบากที่สุดเพราะนั้นก็คือบทเรียนอันมีค่าสูงที่ธรรมชาติได้ให้เราความบกพร่องของเราก็อยู่ที่ว่าเราไม่ได้มองชีวิตในฐานะเป็นการศึกษาถ้าเรามองชีวิตในแง่นี้ ปัญหายุ่งยากทั้งหลายก็จะหายไปเออมองชีวิตในทัศนคของการศึกษาเอามาศึกษาเอามาเรียนรู้เอามาเรียนรู้จะเป็นความทุกข์เป็นความสุขจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็ตามก็เอามาเรียนรู้ได้ทีนี้ก็ว่ากันตามความเป็นจริงแล้วชีวิตของคนเรานี่นะครับ ถ้ามีข้าวปลาพอกินมีน้ำจืดพอดื่มมีปัจจัยสี่พอสมควรแก่ความต้องการที่จําเป็นแล้วที่เขาเรียกว่าปัจจัยพื้นฐานจอปทอนะครับปัจจัยขั้นพื้นฐานมีเพียงพอก็ไม่ควรจะทุกร้อนเรื่องใดๆไม่ควรจะทุกร้อนเรื่องอะไรอีก แต่ถ้ามีโรคก็รักษาไปรักษาไปหายก็หายไม่หายก็ปล่อยไป่ังมัน